ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องยิ่งฝึกยิ่งหมดสิทธิขี้เกียจโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัด น, นี้ เ, เคยพูดให้ฟังนะเรื่องของความขี้เกียจเนี่ยมันมีหลายระดับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ในฐานไหนดูตามดูตามฐานะของเราก่อนถึงจะรู้ว่าอย่างนี้คือขี้เกียจไหมหรือว่าอย่างนี้ไม่ใช่ขี้เกียจเพราะว่าตามฐานของเราเองเนี่ยถ้าคนนั้นยังมีกิเลสอยู่อาจมาบอกคุณได้เลยยังไงความขี้เกียจก็มี เพียงแต่ว่าคุณจะขี้เกียจ ร, ระดับไหนเนทะ่านั้นเนยไม่ใช่แบบอย่างที่บางครั้งพ่อท่านพูดถึงว่าแม่ใหาา้ทำไมทีรู้สึกขี้เกียจเหมือนกันคือ <c oughs> <c oughs> ถ้า ข, ขี้เกียรขี้เกียรระดับพระโพธิสัตว์นี่มันอีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะต้องชัดเจนในในประเด็นพวกนี้จริงอาจจะใช้คำว่าขี้เกียจเหมือนกันเนนะคำว่าขี้เกียรเนี่ยแต่ ความหมายคนละเรื่องเลยไม่เหมือนกันน่ะคือคุณลองฟังดูนะอาตมาจะลองพูดให้คุณฟังดูว่าขี้เกียจทำดีเพิ่มเนี่ยกับขี้เกียจไม่ทำความดีอย่างเงี้ยคุณว่าเหมือ น, นเงี้ยมนะมันต่างกันตรงไหนคือขี้เกียจไม่ทำความดีนี่หมายความว่าไง เออหมายความว่ายังเลวอยู่ใช่ไหม ย, ยังมั่งจะทำชั่วอยู่นะไม่ยอมที่จะทำดีออแต่ขี้เกียจแบบทำดีเพิ่มอย่างนี้คืออะไรคือจริงๆเนี่ยดีดีมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำดีเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกแม้อย่างนี้มันก็ยังแตกต่างเลยถ้าในฐานของปุถุชนคนทั่วๆไปนะักขี้เกียจของเขาก็คืออะไร ทั่วๆไปเนี่ยอู้งานนะขี้เกียจทำงานทำงานที่ตัวเองรับภาระรับผิดชอบมาอย่างเงี้ยนะเห็นชัดๆเลยคุณจะอู้คุณจะเบี้ยวหรือจะใช้ภาษาสำนวนนอะไรก็แล้วแต่คือคือเราเราหลบเลยเราไม่ยอมทำอันนั้นน่ะชัดเจนว่าขี้เกียจ ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ยังเป็นโลกโลกยังมีกิเลสอยู่เนี่ยโอชัดเลยส่วนใหญ่ขี้เกียจของเขาคือเขาไม่ทำงานในสิ่งนี้เลยนะไม่เอาภาระในสิ่งนี้เขาไปทำในสิ่งอื่นที่มันเป็นอบายมุกเลยอันนี้พูดถึงคนระดับล่างๆก่อนระดับต่ำๆไปเลยเขาไปทำอะไรตามใจเขาชอบอะบางทีไปเที่ยวเตไปดูหนังฟังเพลงนะไปอะไรอะไปสนุก ไปเล่นละเลงอะไรที่ไหนเขาเอาเลยไอไ <atorium? S 1> งานการที่ตัวเองรับภาระรับผิดชอบอยู่ไม่เอาเลยเรี่ยงหลบหนีเลยหรือบางทีมาแค่มาเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยไออย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้เป็นความขี้เกียจแบบระดับตํำๆก็น<ด>ี่ไงกำลังบอกให้ฟังว่าถ้า ระดับต่ำๆอย่างเงี้ยเราต้องรู้แต่ตะที่ชาตสูงมาอนาคตมายกในฐานของพระโสดาบันพระโสดาบันก็ยังมีขี้เกียจใช่ไหมล่ะหรือว่าคุณว่าพระโสดาบันไม่ขี้เกียจลว <c oughs> ก็ยังมีขี้เกียจอยู่แต่คำว่าขี้เกียจตัวเนี้ยในฐานพระโสดาบันจะต้องหมายถึงสิ่งที่เราเนี่ยบางทีเราไม่อยากทำ ในสิ่งที่มันสูงขึ้นกูเข้าใจมมกแต่ถามพระโสดาบันเนี่ยเรื่องของอบายมุกเรื่องของความขี้เกียจแบบอบายมุกเนี่ยอยหยาบดําๆเนี่ยใช่ไหมที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่อะไรพวกนี้แล้วไม่ทำเด็ดขาดเลยคือคือไม่ไปเอาอย่างเงี้ยและไม่มีว่าขี้เกียจที่จะไม่ทาไม่เลิกไม่ลดไม่ละสิ่งพวกนี้ไม่มี ฐานพระโสดาบันเนี่ยจะต้องขยันในการที่จะลดละสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งคุณถือศีลห้าได้ไ ด, ด, ได้ดีได้บริสุทธิ์ได้บริบูรณ์ถ้ายังไม่เก่งเป็นโสดาปฏิมกันกนะก็โอ้โหพยายามสู้อยู่พยายามทําอยู่ขยันบังคีเกียบบังอะไรก็แล้วแต่ชนะบังแพ้มังแต่คุณพยายามสู้อยู่มีสติรู้ตัว ขี้เกียจก็รู้ตัวว่าขี้เกียจแต่ทุกครั้งที่ขี้เกียจนี่ทันทีเลยฮิรีและโอตาปะมาเตือนคุณมาบอกคุณทันทีเลยเอาหนี้กําลังขี้เกียจแล้วนะเนี่ยเราะถ้าเข้าสู่ขายหรือว่าแค่โซดาปฏิมาคเนี่ยจะมีสัมมาทิฏฐิตัวเนี้คอยเตือนคอยบอกคุณเลยว่าอา่านี่กําลังขี้เกียจแล้วนะแล้วมันไม่ดีนะขี้เกียจอย่างเงี้ยคือคุณจะชัดเจนประเด็นนี้เลยเพรพอคุณชัดเจนเนี่ย ถ้าคุณขี้เกียจต่อไปคุณรู้ว่าโอ้โหเดี๋ยวเราจะยิ่งเลวร้ายแล้วเราก็จะยิ่งสั่งสมวิบากกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นทนไม่ได้ในที่สุดก็ขี้เกียจต่อไปไม่ได้จะต้องหยุดจะต้องเลิกขี้เกียจจะต้องขยันขึ้นมาเพราะส้ำมา ท, ทีบอกกับตัวเองอย่างนั้นหรือสั่งตัวเองอย่างนั้นเพราะนั้นจะต้องพ้นความขี้เกียจขึ้นมา นี่นี่หมายถึงว่าถ้าคุณเข้ากระแสของพระโสดาบันน ะ, ะถ้าเข้ากระแสแล้วเพราะว่าในอบายมุกหกเนี่ยมีความขี้เกียจอยู่ด้วยหนึ่งตัวใช่ไหมในอบายมุกความเกียดค้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะพ้นอบายมุกมาได้เนี่ยซึ่งอบายมุกเป็นความขี้เกียจเป็นอบายมุกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะพ้นอบายมาได้เนี่ยคุณต้องพ้นความขี้เกียจมาด้วย เขาจะมีสติรู้ตัวสมาถึงบอกแล้วไม่มีว่าถ้าเข้าสู่กระแสสัมมาทิฐิแล้วเนี่ยนะคุณเข้าสู่กระแสของพระโสดาบันเข้ามามีสัมมาทิฏฐิไม่มีว่าขี้เกียจแล้วไม่รู้ตัวรู้ตัวว่าขี้เกียจมันจะมีสติที่จะบอกตัวเราเลยว่าโอ้โหนี่เราควรจะทําทําไมเราไม่ทํา ยิ่งเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นการงานของเรานี่ยิ่งชัดเลยเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าจะแก้ความขี้เกียจยังไงตัวที่หนึ่งก็คือนี่แหละฮีรีและโอตปะเนี่ยแหละที่จะมาเล่นงานคุณก่อนจะเป็นตัวแก้จิตเราอันดับแรกเพราะความขี้เกียจเนี่ยมันอยู่ในสายของถีนามิทะความขี้เกียจนี่นะมันอยู่ในสายของถีนมิทะ คือความหลีความง่วงความซึมความหลับไหลอะไรพวกนี้นี่เพราะนั้นขี้เกียจที่อยู่ในสายของจีนามิธาตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะมีสติรู้ตัวนะคุณไม่ละอายคุณไม่ปรับคุณไม่แก้มันก็จะลงหลีหลับหรือว่าซึมจะลงแบบนี้ถ้าคุณไม่ง่วงคุณไม่หลีหลับคุณไม่ซึมก็บอกแล้วมันก็ทิ้งอันนั้นเลย ทิ้งงานนั้นเลยแล้วมันไปทําอย่างอื่นเลยไปทําอย่างอื่นเลยคือคราวนี้เนี่ยแทนที่จะอยู่ทํากับมันนั้นบ้างอย่างน้อยๆยังได้ชื่อว่าทําบ้างเลยนะคือมันไม่ยอมแล้วพูดง่ายว่าแพ้ลาบคาบเลยคือทิ้งจากจากไอ้ภาระหน้าที่นั้นนะ่ะไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปอะไรอย่างอื่นเลยจะเป็นอย่างนั้นแต่บอกแล้วเมื่อเมื่อเราเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยมันจะรู้ตัว เพราะนั้นถ้าใครเนี่ยโอ้โหไม่ฝึกฝนจนกระทั่งจิตอ่อนแอจนเกินไปแล้วมันจะมีทิริโอตปาปะเนี่ยย้ำคุณเล่นงานคุณทิมแทงใจคุณทําให้คุณเนี่ยไปหลงละเริงไม่ได้บางทีคุณหนีไปเที่ยวเล่นเนี่ยนะไอไอไอ อ, อันนี้ว่าทิมแทงคุณอีกแล้วโอ้โหนี่เราหนีมาเที่ยวยัางไงเ น, นี่ยมันไม่ดีแล้วไม่ถูกกันนี่ ปล่อยให้คนอื่นก็ทํากันเราไม่ได้ทําหรือว่าเดี๋ยวงานเราก็ยิ่งล่าช้าก็ยิ่งเสียหายยิ่งอะไรมันทิมแทงตามใจคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณทนได้แค่ไหนก็ทนไปฮะแตยิ่งถ้าใครเนี่ยทนได้เก่งเท่าไหร่หรือพูดภาษาหนักๆหน่อยว่าว่าด้านเท่าไหร่อ่ะนะคือทนได้เก่งเท่าไหร่เนี่ยก็คือความด้านเท่าไหร่นั่นเองถ้ายิ่งคุณทนได้ไม่กูยิ่งทนได้มากกูก็ยิ่งด้านมาก ยิ่งได้มากก็แสดงว่าสติสัมผัสชงของเราหรือสมมาธิฏฐิของเราเนี่ยอ่อนจางมากเรามีสัมาธิฏฐิที่อ่อนจางมากเลยมันถึงได้ทําให้เราเนี่ยไม่ปรุงไม่คิดที่เกิดฮีริและโอตะปะขึ้นมาพอมันจะเกิดขึ้นมาปุ๊บคุณรีบกบทิ้งเลยไม่ให้มันเกิดแม้ไม่เกิดเพื่อที่จะได้ทําได้ตามที่เราอยากจะทําอยากจะขี้เกียจ อันจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยคุณต้องต้องมีสติให้เท่าทันจิตอันนี้ให้ได้พอมีอันนี้ได้นะขนาดว่าเขานี่รู้ตัวแล้วนะโอ้โหนี่เราความขี้เกียจบมาเล่นงานเราอีกแล้วพอคุณเริ่มรู้ตัวนี่นะบางทีเนี่ยคุณยังอย่าปล่อยก็ได้ปล่อยคือไม่สู้กับมันก็ได้อนี่ก็คืออํานาจของความขี้เกียตที่สั่งสมมาถ้าสั่งสมมามากพอมันเกิดจิต คุณรู้ละจับได้ปั๊บมันจะปล่อยมันจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไปต่อสู้กับไอ้คัามขี้เกียจคือจะไม่ฝืนใจเรามันจะไม่ยอมฝืนใจมันจะไม่ยอมสู้ด้วยอ่าเพราะถ้าเราเนี่ยเราฝึกอันนี้แล้วมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะจิตเรามันจะสั่งงานอิริโอตาปา น, นี่จะมาทำงานนะคราวนี้มันจะปรุงปรุงในแง่ที่เห็นเลยว่า ขี้เกียจนี่มันเลวยังไงมันไม่ดียังไงแล้วเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปให้มันมีความขี้เกียจอย่างนี้นเนี่ยมันจะเล่นงานในจิตคุณเลยถ้ามันมีกำลังพออันเนี้ยสัมมาทิฏฐิอันเนี้ยมีกำลังพอเล่นงานคุณพอนะก็ทําให้คุณเนี่ยฝืนใจขึ้นมาได้บังคับคราวนี้บังคับกายหรือบังคับวาจาคุณเนี่ยขึ้นมาได้นะที่จะให้แบบว่า สั่งอะโดยใจเนี่ยแหละนะบังคับใจได้เนี่ยก็สั่งให้เอานะ่ทนะทําน่ะอย่างงั้นนะ่ะอย่างนี้นะ่ะมันจะบังคับขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่มีตัวนี้มันมันไม่บังคับมันก็ปล่อยไว้ตามใจตามกิเลสเท่านั้นเองเพราะมันพอคุณบังคับตัวนี้ได้เนี่ยคราวนี้ขั้นต่อไปมันอยู่ที่วิธีการจะสู้กับกิเลสนะขั้นต่อไปนะพอคุณเริ่ม เริ่มดูตัวแล้วคุณเริ่มฝืนใจบังคับใจตัวเองขึ้นมาครั้นี้อยู่ที่วิธีการอย่างเช่นเราขี้เกียจทํางานใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหมันเยอะเหลือเกินอย่างที่คุณบอกมาโอ้โหนานี่มันเยอะเหลือเกินเอ้าก็เรื่องอะไระเราจะไปโง่ใช่ไหมบางทีมันก็หาวิธีแล้วว่าเออเนี่ยงานมันเยอะเหลือเกินถ้าให้เรามาเห็นอย่างเงี้ยนะสมมุตินะเอางานมาตั้งที่โต๊ะคุณเป็นตั้งตั้งตั้งเลยนะสิบตั้งเลย เอามาให้คุณเห็นแค่คุณเห็นคุณก็เหี่ยวแล้วโอ้โหไม่อยากจะทําละไ อ, ไอความขี้เกียจมันเข้ามาเลยเพราะาพอเราเห็นเข้าไปนี่หมดแรงแทบจะหมดแรงสู้เลยใช่ไหมอืมคนนี้ถึงบอกว่าเอาคนนี้ก็ต้องหาวิธีตอนนี้เราคิดจะสู้ละเราคิดจะฝืนใจก็อย่าเอามาทั้งสิบตั้งสิ <laughs> เอามาตั้งไปบนโตะ๊ะกูนะเออบางทีก็ยกมาแค่ตั้งหนึ่งก่อน ใช่ไหมเออดูอย่างนี้รู้สึกเออแหมเหมือนมันไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมคุณก็เออมีกําลังใจหน่อยว่เ อ, อแค่นี้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ทําแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยคุณก็ทําได้เท่าที่คุณทําได้อะจะยกมาห้าตั้งมายกมาสิบตั้งหรือยกมาตั้งเดียวคุณก็ทําได้เท่าที่เวลาคุณมีแล้วก็เท่าที่แรงคุณมีทําได้ถูกไหมยังไงคุณทําเกินขีดความสามารถคุณไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคราวนี้ ยกมาทีระตั้งก็ได้เออเห็นน้อยๆหน่อยแหมรู้สึกว่ามีเลี่ยวมีแรงทําดีเนี่ยมันมันเป็นยุทธวิธีที่คุณจะหาและหาวิธีการมาเออจะใช้สู้กับกับความขี้เกียจหรือความโหดูความท้อแท้ความท้อถอยความเบื่อความเซ็งอะไรของคุณเนี่ยนี่นี่สายขี้เกียจทั้งนั้นนะไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะความเบื่อความเซ็งความท้อถอยความอะไรนี่มันอยู่ในสายของความขี้เกียจทั้งนั้นะหรือสายธีนะมิท่าทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะฉลาดในการที่จะใช้วิธีการเข้าไปร่วมสู้อาตมาเห็นหลายคนเนี่ยที่ไม่ค่อยจะใช้จิตเนี่ยเข้าไปร่วมไม่ใช้ปัญญาเข้าไปร่วมสู้ด้วยยิ่งคุณเจอตัวขี้เกียจนี่นะโอ้โหถ้าคุณมิจฉาทิฏฐิด้วยนะความคิดคุณเนี่ยมันจะคิดไปในแง่ที่ให้คุณขี้เกียจเพิ่มขึ้น คิดไปในแง่ลบคิดเปแค่แง่งาอากุศนในแง่ที่จะล้มล้างในความรู้สึกที่เราจะสู้เราจะฝืนใจเนี่ยมันจะยิ่งกดขม่มยิ่งจัดการเราใหญ่เลยเพราะงั้นคุณจะยิ่งไปไม่รอดเลยแล้วในที่สุดคุณก็ยอมแพ้แล้วคุณก็ขี้เกียจไปจริงๆแล้วก็เ น, นี่ซึ่งบอกแล้วว่าขี้เกียจง่ายๆอย่างหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราทําอะไรอยู่คุณขี้เกียจในสิ่งนั้นเนี่ยคุณคุณเห็นง่าย ขี้เกียจใ น, นสิ่งนั้นก็คือว่าคุณไม่อยากทำหรือว่าคุณก็ทำช้าๆนะทำเอื่อยๆอ่าทำอูๆ้ๆอย่างเงี้ยอย่างเงีเราก็รู้ว่านี่นี่เราขี้เกียจแล้วเราไม่ได้ทำตามขีดความสามารถเราหรือว่าบางทีคุณจะเห็นเลยว่าคุณทำไปก็เล่นไปบ้างคุณทำไปก็อะไรอ่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ร่างแล้วค่อยมาทำมั่งอะไรเงี้ย กุจะรู้เลย ว, ว่าเนี่ยเมันคือควาขี้เกียจของเราไอ้อย่างเงี้ยคุณเห็นได้ง่ายอยู่เห็นได้ชัดอยู่แต่ขี้เกียจอีกอย่างนะขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันเนี้ยบางคนอาจจะนึกว่าตัวเองไม่ได้ขี้เกียจก็ได้คือขี้เกียจแบบที่จริงๆเราไม่ชอบงานนี้เราไม่อยากทำงานนี้ไม่อยากทำเลยเแล้วจริงๆแล้วเกลียดเกลียดงานนี้พกกูดง่าย ขอขอเพราะคุณเปงานนี่คุณก็เลยไม่ยอมทํางานนี้เลยนะเพราะนั้เวลาเวลาขณะนี้จริงๆทุกคนต้องทํางานห้ามห้ามอู้ห้ามไปหลับห้ามไปนอนห้ามไปอะไรเพราะคนนี้รู้อยู่ว่าทุกคนต้องทําห้ามเบี้ยวแต่คนนี้เมื่องานนี้เนี่ยเราเบื่อเราเซ็งเราไม่ชอบเพราะคนนี้ก็ไม่ยอมทํางานนี้ไปทํางานอื่นที่ตัวเองชอบทั้งทที่งานนี้จริงๆตัวเองต้องรับผิดชอบ อ่าแต่เราไม่เอาไงไม่รู้นะคุณจะเบื่อเพราะเพราะไม่ชอบเหตุอะไรก็แล้วแต่ละแต่คุณไม่อยากทำํำละแต่งานนี้จริงๆคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องทําแต่เราไม่เอาอะ่ะเมื่อไม่เอาเนี่ยเราก็หาเรื่องละคราวนี้คุณจะเห็นเลยคุณก็หาเรื่องอ้างไอ้นั่นอ้างไอ้นี่อ้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่ทําสิ่งนี้แล้วเราก็จะไปทําสิ่งที่เราชอบ นะคุณก็ไปขยันจริงอนะแต่คุณไปขยันทํางานอื่นนะ่ยไม่ใช่ไม่ใช่งานที่คุณควรจะทําอันเนี้ยดูแล้วมันก็น่าจะบอกว่าเอ๊จะว่าขี้เกียจได้ไหมจะว่าขี้เกียจก็ยังว่าได้แล้วจะว่าคุณขยันได้ไหมเออจะพูดว่าขยันก็ได้นะแต่ไปขยันอย่างอื่นนะ่ยมันไม่ไม่ขยนนะันในสิ่งที่ตัวเองควรขยนันหรือมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ ผู้จ้าท่านใช้ว่าขยันไปทำนาคนอื่นเขาอะแต่นาตัวเองเนี่ยลกลุงลังไม่หมดอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เนี่ยผู้จ้าท่านก็ไม่เอานะไอไปขยันทำนาคนอื่นแต่นาตัวเองโอ้โหนะเรียกว่าอะไรอะอะไรต่ออะไรขึ้นเต็มไมหมดเลยนาตัวเองเสียไปหมดเลยนะแต่ไปขยันทำนาคนอื่นที่เขาดีอย่างเงี้ย ผู้เจ้าก็ไม่เอาเมือกันนะทั้งที่ทังทั้งที่มันก็มีประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ประโยชน์ในส่วนของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วตัวเองแย่ลงตัวเองแย่ลงนะเกิดจิตพลักไม่ชอบเกียรชังงานนั้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่อยากแตะไม่อยากต้องไม่อยากอะไรเลยแล้วก็เลยไปทาอย่างอื่นเอามาชดเชยเอามาทดแทนซึ่งเราดูโดยรวมๆล้วก็ว่ามันดีนะอ่า ใช่ไหมเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยรับผิดชอบต้องทำให้ได้ดีก่อนเพราะฉะศาสนาพุทเนี่ยถึงบอกว่าเป็นไงประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านเป็นยังไงเออประโยชน์ผู้อื่นแม่มากนี่แต่ไม่ผลานประโยชน์ตนเองเอเพราะฉะนั้น ถ้าทำของตนด้วยเราไปทำของเขาอื่นด้วยเออได้แต่ถ้าเราไปทำแต่ของเขาอื่นแล้วไม่ยอมทาของตนพระพุทธเจ้าไม่เอาด้วยเลย <c ười> คนนี้เดี๋ยวแย่แน่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไปขยันทานาคน อ, อื่นแต่ขี้เกียจทานาตัวเองนี่นะคนนั้นนาจยิ่งนานวันยิ่งนานวันเนี่ยจิตที่เราเนี่ยสมมุติเราไม่ชอบที่ดินของนาของเราหรือเราไม่ชอบ อะไรอ่ะไอ้พืชพันธุ์ที่อยู่ในนาของเราแล้วเราก็เลยปล่อยมันทิ้งล้างเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจไอ้พวกนี้มันก็ไปเรื่อยๆสิใช่ไหมมันก็ยิ่งลอกลุงรลานหรือว่ามันก็ยิ่งสมมติว่าถ้ามันเสียหายมันก็เสียหายมันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้มาแก้เราไม่ได้มาอะไรมันเลยนี่เราปล่อยให้มันเรียกว่าแย่ลงไปแย่ลงไปเพราะในที่สุดสมมติว่านาเราเสียไปหมดแล้ว ไปทำนาคนอื่นเขาทําให้เขาเจริญส่วนพืชผลอะไรที่ได้มามันเป็นของใครมันเป็นของเขานะเพราะมันนาเขาอะ่ะเม่ใของเขาแต่เราเองเราไม่ได้พืชผลอะไรของเราเพราะว่าเราไม่ได้ทํานาเราเลยเราไม่มีผลอะไรได้ของตัวเราเลยผลต่างๆที่ได้เป็นของคนอื่นเพราะอันเนี้ยที่พระเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ไปทำอะไรแล้วตัวเองต้องได้ด้วยได้นี่โดยเฉพาะเรื่องหมองมากผลตัวเองต้องได้ด้วยถ้าเราเนี่ยไปสอนคนอื่นให้บรรลุทำโอ้โหให้เป็นพระอาหารหันต์เลยเอา้าแต่เราไม่มีมากผลเลยเป็นไงผู้เจ้าว่าเลยด้วยว่ากลายเป็นคนอะไรละเป็นปัทาปาะปัมะบุคคลเป็นคนที่แย่ที่สุดเลยในบุคคลสี่ประเภทเนี่ยกลายเป็น ถ้าเปรียบเหมือนบัวนี่ก็คือบัวใ ต, ต้ตมบัวที่เป็นเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรอยู่ในโคลนในเลนยังไม่โผล่พ้นเลนเลยมันก็โหแย่ที่สุดเลยพวกนี้เพราะอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะมาเตือนเราพอ<ม>เวลา ข, ขี้เกียจหรือเราจะหนีละจะหนีภาระของตัวเราเองมันจะมาเตือนทันทีเลย แล้วพอมาเตือนเนี่ยถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณคุณมีความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้วมันไม่หนีศาสนาพูดเนี่ยถึงบอกพ่อท่านพูดบ่อยว่าไม่หนีเพราะเรารู้ว่าถ้าเรายิ่งหนีจากการสู้กิเลสของเราเนี่ยนะถ้าเรายิ่งหนีเนี่ยคุณจะยิ่งไม่มีวันเลยที่จะชนะกิเลสได้เพราะยิ่งหนีก็คือยิ่งแพ้ไปเรื่อยยิ่งหนีกคือยิ่งแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยกูจะยิ่งสู้มันไม่ได้เลย พระศาสนาพูเนี่ยพุทเจ้าถึงสู้ไม่มีหนีถึงไม่ไม่หนีโดยเฉพาะเรารู้ว่านี่เป็นกิเลสของเราไม่หนีสู้เลยเพียงแต่ว่าเราจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ตามกำลังของเราเท่านั้นเองบางทีกำลังเรายังน้อยเราสู้ไปก็แพ้มากหน่อยแต่ไม่ไม่หยุดสู้ไม่มีการเลิกสู้ถ้าคุณเข้ากระแสจริงนะคุณสัมมาทิฏฐิจริง ผู้เจ้าถึงตัดว่าแค่ฐานโสดาบันเนี่ยเที่ยงต่อการสัสลูหมายถึงว่ารับรองว่ายังไงก็ต้องไปบรรลุธรรมแน่นอนแล้วก็บอกว่าไม่มีความตกต่าเป็นธรรมดาเลยนะคำว่าไม่ตกต่ำเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่ตกต่าไปจากฐานโสดาบันอีกแล้วคือมีแต่จะทำทำแล้วมีแต่จะขึ้นไปจะไม่มีว่าพอได้โสดาบันแล้วก็ไปกลับไปกลายเป็นปุถุชนไม่มี ไม่มีนอกจากคนที่หลงว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันหลงว่าหลงว่าเราได้ได้ฐานของพระโสดาบันแล้วแต่ความจริงคุณยังไม่ได้ยังรับ แ, แต่คุณคิดว่าคุณได้เพราะความจริงมันจะออกมาเองถ้าคุณกลับไปตกตําอีกเนี่ยนั่นแหละให้รู้เถอะว่าคุณยังไม่ได้ไมาถึงได้กลับไป แสดงว่าจิตคุณนี่คือถ้าจิตคุณเนี่ยนะปฏิบัติได้จริงในฐานของโสดาบันยานเจ็ดของโสดาบันมันจะต้องมีทันทีคือคุณจะต้องเกิดยานอันเนี้ยเพราะว่าคุณสู้กับกิเลสมาคุณปฏิบัติมามรรคผลอันนี้คุณต้องได้ตามสัจจะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีมรรคผลอันนี้เลยแล้วถ้ามีมรรคผลอันนี้เนี่ยมรรคผลเจ เจานเนี่ยยานเจ็ข้อเนี่ยแหละที่คุณมีเนี่ยะทําให้คุณไม่สามารถที่จะลงต่ําไม่ได้อีกแม้เพียงข้อที่หนึ่งคืออะไรนะรู้แล้วละเอไม่ใช่รู้แล้วล่ะเอรู้แล้วต้องละข้อที่หนึ่งนี่ยันคุณตูมเลยเพราะบอกแล้วว่าคุณปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณเข้ากระแสเนีย ไม่มีแล้วว่าคุณไม่รู้กิเลสตัวเองหมายถึงว่ารู้กิเลส ต, ตามฐานนะอย่างเช่นฐานปิดอบายเนี่ยฐานโสดาบันเนี่ยคือปิดอบายภูมินะอบายามุกพวกนี้คุณต้องปิดได้เพราะนั้นถ้าคุณจะไปติดพวกอบายามุกไม่มีวันว่าคุณจะไม่รู้ว่านี่คืออบายามุก ค, คุณต้องรู้แล้วแน่นอนว่านี่คืออบายามุกแล้วพอรู้แล้วจะไม่ละซะเป็นไม่มี นี่คือคือจริตนิสัยเลยหรื อ, อคุณสมบัติของพระโสดาบันเลยว่าถ้าคุณไปเจอไบายามุกเนี่ยไม่มีอะที่ว่าจะยอมแพ้ไบายามุกแล้วก็ไม่สู้กับมันคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ฐานะเลยถ้าถ้าเป็นฐานะอย่างของพระโสดาบันแล้วทันทีเลยเฮ้ยนี่ไบายามุกวันนี้ไปไบายามุกปั๊บทันทีปฏิกริยาตอบโต้ทันทีเลยเฮ้ยไม่เล่นเฮ้ย ถ้าเป็นการพนันนี่ไม่เล่นการพนันมันผิดศีลห้าน ะ, ะเพราะฐานโสดาบานนี่ศีลห้าใช่ไหมละอวัยมุกเนี่ยทันทีเลยเฮ้ยนี่จะไปเบียดเบียนจะไปฆ่าไปทําร้ายเขานะจะไม่มีเจตนาจะไปทําร้ายเขาจะไม่มีอย่าว่าแต่คนเลยคุณแม้แต่ สัตเล็กสัตว์น้อยอะไรอื่นถ้าคุณได้ฐานโสตบัญจริงเนี่ยคุณไม่มีเจตจิตเจตนาจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ยุงแม่แมลงแ ม, แม้อะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าอันนี้เป็นคุณสมบัติเลยที่คุณจะมีเมตตาอันนี้อยู่ในจิตคุณนอกจากบอกแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทํำยังไงบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องเดินไปอย่างเงี้ยโอ้โห อะไรอ่ะมดมดฝนมันจะตกมดมันขึ้นมาหูไม่รู้คุณเคยเจอไหมนะจะมาเคยเจอมาอยู่ภูผาโอ้โหไม่รู้มันมาจากไหนนะมันมันอย่างกับเป็นกองทัพเลยนะมันเดินเป็นแพรใจไม่หมดเลยอ้าวแล้วเราจะไปยังไงว่าเนี่ยจะจะต้องเดินไปขึ้นกุดนะเพราะว่ามันมันเย็นแล้วดี๋ยมันมันจะต้องไปพักแล้วเอาเราสิจะทํำยังไงเนี่ย โอ้นั่งนึกอยู่ตั้งนานเอ๊ะจะทำยังไงเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่นั่งนึกอะ ย, ยืนอยู่ยืนอยู่นึกอยู่เอ๊จะทํำยังไงเราจะเดินไปยังไงจนในที่สุดก็ไม่รู้จะหาทางทํำยังไงนะเอ๊ะจะถ้ามันมีน้ําก็อาจจะเออเอาน้ามาสาดสาดให้มันเป็นบริเวณไปให้มันไล่มันไปบั่งใช่ไหมเราจะได้เอาเท้าย่อมย่อมย่อมไปตรงนั้นก็ไม่มี หาน้ำไม่ได้อีกเอ๊ะจะทำยังไงได้ที่สุดก็หมดปัญญาเหมือนกันนะเพราะมันก็เดินเป็นแพเต็มไปหมดแล้ ว, ลวก็ไม่รู้เ ม, มื่อไหร่จะเลิกเดินเอ๊ะในที่สุดก็เอาลตะตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องเดินนะนะ <c oughs> <c oughs> ก็เดินไม่ไหว <c oughs> นั้นก็พยายามหย่างเท้าไงพยายามหย่างเท้าว่าเราดูว่าเออตรงเนี้ยพยายาม พยายามเหมือนกับเราพยายามเคี่ยๆพยายามให้เป็นช่องว่างที่สุดแล้วเหยียบลงไปนี่นะก็เขย่งปลายเท้าพยายามเขย่งปลายเท้าลงไปอะ่ะคือเราจะไม่ไม่ลงเต็มเท้าเราเขย่งปลายเท้าให้เราหย่างได้เราก็หาทางเนี่ยเขย่งไปเรื่อยเขย่งไปเรื่อยอะ่ะก็ไม่รู้นะมาอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าให้เห็นถึงจิตเราเลยว่าเราเราไม่อยากจะไปอะไรมันเลยอะ่ะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะมัน มันหมดปัญญาไงมันหมดปัญญาที่จะหาทางแก้ก็เลยแก้เท่าที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นทางออกที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเท่าที่เราจะตอนนั้นปัญญามีคุณจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ถ้าคุณเข้าสู่ขายของพระโสดาบันถ้าใครเนี่ยทุกวันเนี่ยเห็นยุงกัดอยู่ชัดชัดเจนเนี่ยนะชัดชัดตาเนี่ยนะแล้วคุณก็ นี่ถ้าอย่างนี้เ่ยบอกได้เลยว่ากูยังไม่มีญานของพระโสดาวันอยู่เพราะรู้รู้อยู่เห็นเห็นอยู่อย่างเงี้ยอ้ารู้อยู่เห็นอยู่แล้วคุณยังทําลงไปได้นี่บอกได้เลยว่าคุณยังไม่เข้าล่ะจิตจิตสภาวะจิตคุณยังไม่เข้าไม่เข้ากระแสนี้ถ้าเข้ากระแสแล้วไม่ทํายิ่งเห็นอยู่เนี่ยทําไม่ลงนะคุณอต่อให้มันเป็น สัตว์ stuff, มีพิษด้วยอ่อต่อให้มันเป็นสัตว์ล้ายนี่ไอ้ไอ้ไอ้ป้องกันตัวนะอีกเรื่องหนึ่งนะคุณป้องกันตัวนี่เราไม่ได้อยากจะไปเบียดเบียนไม่ใช่อยากจ ะ, ะไปทําร้ายมันอป้องกันตัวนี่หมายถึงว่ามันทําร้ายเราแต่บางทีเราก็เออป้องกันตัวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เออนะมีไม้มีอะไรอ่ะโลมีอะไรก็ป้องกันไม่ให้มันเบียดเบียนไม่ให้มันทําร้ายเราออันนั้นเป็นการป้องกันตัว แต่ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่พอบางทีเนี่ยอะไรเขาเห็นสัตว์ที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันน่า ก, กลัวหรือว่ามันจะดุร้ายหรืออะไรเงี้ยเอาบางคนไปเห็นงูงเงี้ยมันยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยเงี้ยบางทีมันก็เลื้อยอยู่ดีๆข้งมันนะมันจะเลื้อยไปทางอื่นถ้าด้วยท้ำไปอะ่ะแล้วบางทีพอเราเห็นเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันทำร้ายเราเพราะนั้นเราก็เลยต้องทําลายมันก่อนเราบางทีเห็นไม้เห็นหินอะไร ทุ่มใส่มันเลยอ่าไอ้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เพราะสภาวะจิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่สภาวะจิตแบบของที่จะเข้ากระแสเพราะนั้นเนี่ยเเนี่ยยกตัวอย่างแค่ข้อหนึ่งข้ออื่นๆก็จะเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นคุณถึงจะตรวจสอบได้ไงว่าเรามีสภาวะมีคุณสมบัติเข้าข่ายอยู่ในฐานไหนแล้วคุณจะวัดได้ ตันถึงบอกว่าจะไม่มีความขี้เกียจอยู่ได้เลย